หลวงพ่อเออใช่แนะกรมท่านมือท่า น, านไม่ต้องมีตัวกลรมหรอกกรรมคำนี้กรรมคือการกระทาตรงกรรมธรรมดานะแต่ว่าเขียนเน่ยเขียนเป็น ก, กอรอกอรกอม อ, อยู่เป็นกล้ำอยู่แต่ว่าเวลาพูดต้องเป็นกรรมนี่แหละอันนี้หลวงพ่อเมื่อเขาขวาก่าวตักเตือนหลวงพ่อก็ยอมรับออยอมรับในความผิดหรือว่าการบกพร่องในการพูดในจุดภาษาจุดนั้น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 อันนี้ก็คือหลวงพ่อียจะลักษณะอย่างนั้นก็นักสัตยาธาย่าโยมอย่างที่หลวงพ่อเคยได้ยินเพราะอุปชาหลวงพ่อพูดให้ฟังสมเด็จติดโสอ้วนท่านดุเด้ที่วัดบรมเวลาพระเวลาท่านจะไปประชุมท่านจะมาประชุมทางอีสานอย่างนี้มาภาคพระสงฆ์ทั้งหลายก็เกณฑ์กันมาเลยเกณฑ์กันมานั่งต่อหน้าเต็มไปหมด่พอเต็มไปหมดที่นี้ท่านก็ถามเลยอะ พระองค์เนี้ยเรียนอะไรเนี่ยต้องเรียนหนังสือนะท่านเรียนอะไรองค์นั้นก็ตอบผิดผิ ด, ผดถูกถูกกลัวเนผมเรียนจบนักทาตีครับนะฮะม่ทักตีได้ยังไงเห็นไหมตัวรออยู่ที่นั่นนะ่ะนักทำเต้ซ์ไม่ยังจะถูกยาพูดนักทาตีทำตีไม่ได้นะต่อไปนะฟังนะใครนะบาทนดิก็ถางมิององที่สองนะองค์นั้นนะ่ะนักทำอะไรนะ่ะเตียนอะไรนะ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 ไอ้จ้ว่านักทำนักทโทรธรรมดาก็ไม่ได้ใช่ไหมไอ้กลัวสมเด็จจะด่าอีกทก็เลยใส่ให้มันถูกเข้าไปเลยนักทำโทรเลยยิ่งไปใหญ่เลยนี่แหละอันในสิ่งเหล่านี้ทั้งหลายทั้งปวงนะคณะสัตย า, า, าติโยมลูกหลานถ้าใครว่ากล่าวตักเตือนเราเราต้องฟังเพราะเราจะอยู่ในชุมชนสังคมในหมู่ในคณะไม่ใช่ว่าเราจะเก่งกล้าสามารถคนเดียวไม่ใช่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 ให้ทำคิดดีทดําดีพูดดีนี่เมื่อเราคิดดีทดําดีพูดดีแล้วความดีนั่นแหละจะเข้าสู่จิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายใจของเรานั่นแหะเป็นคลังเป็นที่เก็บบุญเก็บบาปถ้าวัดเราทําชั่วเราก็เก็บบุญเราก็เก็บบาปอย่างเดียวถ้าเราทําดีเราก็เก็บบุญเข้าสู่จิตใจเพราะฉะนั้นให้พยายามสั่งสนให้เก็บบุญเข้าสู่จิตใจ